สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีส่แยมที่วาล น, นะครับในวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่สองร้อยสี่สิบเจ็ดเรื่องคําอธิษฐานของพระเยซูตอนที่ยี่สิบสองคำวิงวอนที่สามนะครับคำวิงวอนที่สามนี้ก็คือขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์พี่น้องครับในเชาวันนี้ผมจะพูดถึงข้าทีนะครับข้าทีของการอธิษฐานที่ ว่าขอให้เป็นไปตามน้ำมไทยของพวกนั้นก็มีทั้งหมดหกท่าทีนะครับ5่าท่าทีแรกนั้นก็เป็นท่าทีที่ไม่สมควรจะเกิดขึ้นและท่าทีสุดท้ายนะครับเป็นท่าทีที่ดีครับเป็นค่าทีที่สมควรให้เกิดขึ้นในชีวิตของพวกเราพี่น้องครับเราจะดูในลำดับถัดไปนะครับถ้าพี่น้องจำได้เมื่อวานนี้ผมได้ยกตัวอย่าง และบอกว่าจะมีสองตัวอย่างแต่เมื่อวานนี้ผมได้ยกไปหนึ่งตัวอย่างนะครับตัวอย่างแรกที่เกี่ยวข้อง <c oughs> กับการที่ว่าขอให้เป็นไปตามพระไตรปิฎกนั้น <c oughs> ก็คือโอมาเทยัมนะครับโอมาเทยัมโอมาเทยัมนี้ได้วาดมโนภาพอันน่าอัศจรรย์น่าสนใจมากเลยครับท่านบอกว่าพระเจ้านั้นทรงเป็นเสมือนผู้เล่นหมากรุก พระเจ้าทรงเป็นเสมือนผู้เล่นหมากรุกซึ่งมีอำนาจสิทธิขาดมีสิทธทิอำนาจเด็ดขาดในการเคลื่อนย้ายตัวหมากตัวหมากนี้ก็คือชีวิตของพวกเราแต่ละคนครับเป็นตัวหมากบนกระดานหมากรุกของพระเจ้าพระองค์นั้นมีสิทธิที่อำนาจหรือสิทธิ์ขาดในการเคลื่อนย้ายตัวหมากแห่งชีวิตของเราไปไหนก็ได้เดินไปตามจังหวะที่พระองค์ตั้งพระไถไว้นั่นคือขอให้ชีวิตของเราเป็นไปตาม พระไทยของพระเจ้าพระองค์ทรงมีอำนาจสิทธิค่ะในการเคลื่อนเราทั้งหลายไปตามพระราชลิขิตของพระองค์และเมื่อกระดานนะครับหมากนี้จบเกมพระองค์ก็จะรวบรวมตัวหมากเหล่านั้นกลับไปไว้ในกล่อง <c oughs> พี่น้องครับจากภาพที่ห้ามหัสจัทร์ตรงนี้ทําให้เห็นถึงน้ําพระทัยที่ดีเลิศประเสริฐของพระเจ้า และในขณะเดียวกันครับก็เห็นถึงอำนาจติดขาดที่โปร่งสามารถเคลื่อนย้ายชีวิตของเราให้เป็นไปตามน้ำพระทยัยตามแผนการของโปรง่งและในขณะเดียวกันครับท่าทีที่ดีก็คือท่าทีที่เราต้องยอมรับนะครับนี่เป็นท่าทีที่โอมาเคยัมได้กล่าวไว้เมื่อเราอาธิษฐานว่าขอให้เป็นไปตามพระทัยของโปรง่งนะครับเราจะมาดู ตัวอย่างที่สองครับในวันนี้ตัวอย่างที่สองก็คือจูเลียนครับจูเลียนนั้นเป็นชาวโรมนะครับหรือโรมันที่ติดตามจากักรพรรดิคอนเซนตินจกักรพรรดิคอนเซนตินนี้ได้ทำให้จักรวรรดิโรมันเป็นคริสเตียนครับเขาประกาศเลยนะครับเพราะเนื่องจากว่ามารดาของจกักรพรรดิคอนเซนตินได้เห็นนิมิตจากสวรรค์และท่านก็ได้กลับใจใหม่จกักรพรรดิคอนเซนตินนี้เป็นคนที่รักมารดามาก เพราะฉะนั้นก็เลยประกาศนะครับว่าให้จักรวรรดิโรมันได้รับหรือรับถือศาสนาคริสต์เป็นศาสนาประจำชาติหรือประจำจักรวรรดินั่นเองชาวโรมันนั้นพูดถึงเรื่องพระเยซูและคิดถศาสนาชาวโรมันนั้นบอกว่าเป็นคนโรมเกิดมาก็ต้องเป็นชิสเตียนนะครับลัทธิหรือ แ, แนวความคิดของโรมันนะครับที่เป็นคริสเตียนนั้นก็สืบทอดต่อมากลายเป็นศาสนจักรโรมันแคทอลิกในสมัยต่อๆมาเพี่นกับจูเลียนนี้เป็นคนที่เป็นได้ชื่อว่าเป็นคริสเตียนแต่ไ ม, ไม่ไม่บังเกิดใหม่ครับจูเลียนนั้น <c oughs> ละทิ้งความเชื่อจูเลียนไม่ได้บังเกิดใหม่จูเลียนในที่สุดพยายามกําจัดคิดศาสนาและพยายามนําจักรวรรดิโรมัน กลับไปสู่การกราบไหว้ลูกเขารบหรือพระของคนต่างด้าวอีกครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์นะครับได้บันทึกว่าอย่างนี้ว่าในที่สุดนั้นเขาประสบความล้มเหลวครับไม่สามารถที่จะเอาพระต่างด้าวหรือบรรดาลูกเขารบนั้นเข้ามาในจกักรวรรดิโรมันได้และจูเลียนก็ได้ออกทำสงครามปรากฏว่าได้รับบาดเจ็บครับ จนใกล้จะสิ้นใจใกล้จะตายนักบวชบันทึกชัดเจนนะครับว่าขณะที่เลือดกำลังไหลออกมาจากตัวของเขานั้นเขาเอามือรองเลือดที่ไหลออกมานั้นแล้วจาดขึ้นเป็นอากาศแล้วอธิษฐานโอ้บุรุษแห่งกาลิลีบุรุษแห่งกาลิลีหมายถึงพระเยซูใช่ไหมครับบุรุษแห่งกาลิลีแมน o อ g ก l ล l e e ท่านชนะแล้วพี่น้องครับนี่เป็นท่าทีนะครับ หนึ่งในห้าที่เป็นห้าทีที่ไม่ควรที่เราทั้งหลายที่เป็นคริสเตียนจะมีก็เหตุที่ว่าเรานั้นเป็นผู้ที่บังเกิดใหม่แล้วเราจะต้องไม่อธิษฐานในลักษณะทานองนี้นะครับน้องครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะนํามาเพื่อที่จะเป็นสังอุทาหอนนะครับให้เราสังวอนไว้ว่าไม่ควรเกิดขึ้นครับเพราะอะไรครับเพราะเป็นท่าทีที่ไม่ถูกต้องเป็นท่าทีที่เขา จำใจยอมอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้นี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับจำใจยอมท่าทีของการจาจาใจยอมอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้นี่ท่าทีแรกที่ไม่ดีนะครับท่าทีที่สองนะครับเป็นท่าทีที่ว่าอาธิษฐานขอให้เป็นไปตามวิถยของผมด้วยความขุนเคืองใจรับข้องใจมีความรู้สึกโกรธมีความรู้สึกขมขื่นฝังอยู่ลึก ถามว่าถ้าทีนี้มาได้ยังไงครับถ้าทีนี้เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นถึงการขาดความรู้เกี่ยวกับพระเจ้าเรื่องนี้สำคัญนะครับหลายลคนนั้นมีความรู้ไม่พอเกี่ยวกับพระเจ้าและเมื่อได้รับบางสิ่งบางอย่างที่ดูเหมือนร้ายนะครับเขาไม่รู้ว่าต้นร้ายปลายดีเขาไม่รู้ว่าพระเจ้านั้นได้ทรงเตรียมสิ่งที่ดีที่สุดสาหรับคนที่รักโองเสมอ แต่ต้นตอนต้นอาจจะร้ายครับเราเห็นว่าคนพวกเนี้ยนะครับพอไปถึงบางจังหวะในชีวิตของเขานั้นเขาขาดความรู้เกี่ยวพระเจ้าเท่าที่ควรเขาวาดมาโนภาพหรือเราเรียกว่ามาโนภาษาวัยรุ่นว่ามาโนมโนว่าพระเจ้านั้นเป็นผู้ที่ดุร้ายโหดร้ายทารุนจะเกินพระเจ้าเป็นผู้ที่กดขี่ข่มเหงประชากรของทงเป็นนักปกครองที่เรียกว่าเผด็จการเหลือเกิน พระเจ้านั้นดูเหมือนจะเอาแต่ใจตัวเองเหลือเกินพี่น้องครับการขาดความรู้หรือมีความรู้ไม่พอเกี่ยวกับเรื่องพระเจ้าก็อาจจะทําให้บางคนนั้นมโนขึ้นมานะครับแล้วก็เกิดความขุ่นเคืองใจและเขาก็อธิษฐานในลักษณะของการขุ่นเคืองใจความโกรธที่อยู่ข้างในความขมขื่นขอให้เป็นไปนตามน้ำพระทัยของพระองค์อันนี้จะเป็นท่าทีที่สองครับท่าทีที่สามครับพี่น้องท่าทีที่สามนี้อธิษฐานแบบ ขอให้เป็นไปตรมน้องพระชยของพระ อ, องอเค์ขอให้เป็นไปตรงน้องพระชยของพระ อ, องค์อ่าทีนี้เป็นภ่าที่เรียกว่าแบบกัดฟันพูดครับหลังจากที่คนบางคนนั้นสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไปนะครับบางคนลูกเสียชีวิตบางคนคุณพ่อคุณแม่เสียชีวิตบางคนผู้ชีวิตเสียชีวิตหรือบางคนอกหักรักร้าวหรือเรื่องง่ายา อ, อื่นๆครับ นี่เป็นท่าทีที่สามครับก็คือท่าทีที่อธิษฐานแบบต้องยอมรับถูกบังคับหรือถูกสถานการณ์ต่างๆนะครับไม่ได้มีความเข้าใจว่านั่นเป็นสิ่งดีที่พระเจ้าได้ตั้งไว้สําหรับคนแต่ละคนแล้วนะครับอธิษฐานแบบกัดฟันครับนะฮะต่อไปครับท่าทีที่เท่าไหร่นะครับท่าทีที่สี่ครับเป็นท่าทีที่พูดแบบกว้างๆนะครับ ให้ครอบคุมพูดไปอย่างนั้นเอง <c oughs> โดยที่คนที่อธิษฐานนั้นไม่ได้เชื่อว่าคำอธิษฐานของเขาจะทําให้เกิดอะไรขึ้นจริงๆนะครับเรื่องนี้พบในกิจการบทที่สิบสองครับเวลาที่คริสตจักรอธิษฐานเผื่อเปโตรซึ่งถูกจําคุกอยู่พราเขาอธิษฐานที่บ้านของมารีมารดาของยอนที่ชื่อว่ามาราโก พวกอ็อธิษฐานว่าโอ้ข้าแต่พระเจ้าขอปดล่อยเปโตโอ้ข้าแต่พระเจ้าขอทรงช่วยเปโตให้เป็นอิสระเถิดในขณะนั้นเองครับมีทูตของพระเจ้ามาปล่อยเปโตจากคุกเปโตคิดได้ว่าเขาควรจะกลับไปที่ยังยังที่ประชุมอธิษฐานและพบกับคนเหล่านั้นแต่เมื่อท่านไปถึงคนเหล่านั้นไม่เชื่อครับทัานทั้งที่หญิงสาวคนหนึ่งนะครับชื่อโรดาบอกว่าเปโตนั้นยืนอยู่ที่ประตูพวกเขานะครับก็ไม่เชื่อครับ คนเหล่านั้นกับพูดว่าโอ้เธอไม่รู้หรือว่าท่านอยู่ในคุกพวกเราจรึงมาที่ฐานที่นี่กับมาที่ฐานต่อเธอะนะครับเธอก็ยืนยันโรด้าก็ยืนยันครับแต่ในที่สุดเมื่อเปโตเข้ามาพระพีบอกว่าพวกเขาก็อัศจรรย์ใจนะครับอัศจรรย์ใจเพราะอะไรครับเพราะว่าเขามีค่าทีของการอธิษฐานเผื่อที่อาจจะเป็นไปได้ที่ว่าเป็นการพูดอย่างกว้างๆนะครับแล้วก็ มีความรู้สึกลึกๆว่าคงจะปล่อยอยากเปโตรคงจะถูกปล่อยออกมายากหรือว่าไม่คิดว่าการปล่อยของพระเจ้านั้นจะเกิดขึ้นแบบอัศจรรย์ไม่ได้คิดว่าการปล่อยของพระเจ้านั้นจะเกิดขึ้นแบบทันทีทันใดพี่น้องครับคนเหล่านี้นะครับเขาก็มีความเชื่ออยู่บ้างนะครับก็อาจจะเป็นกับเหมือนกับคริสเตียนหลายๆคนที่อธิษฐานโดยที่มีความเชื่ออยู่บ้างนะครับแต่อาจจะไม่ได้คิดว่า โอ้โหจะเร็วขนาดนี้เีถอะโอ้โหจะมาสะจังนะครับเป็นการช่วยแบบเช่นนี้เถอวพี่น้องครับก็เหมือนกับพวกผมครับซี่มเป็นนักเทศนะครับเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่บางครั้งตกอยู่ในภาวะต้องอธิษฐานเพราะว่าต้องอธิษฐานต้องอธิษฐานเพราะว่าเป็นผู้รับใช้พระเจ้าต้องอธิษฐานนะครับจำยอมต้องอธิษฐาน นะครับใช้คําว่าท่าทีแห่งการจํายอมต้องอธิษฐานซึ่งทําให้อมธิษฐานของพวกเราเนี่ยเรียบง่ายและไม่มีชีวิตครับอันนี้เป็นสิ่งที่น่าคิดสาหรับพวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นผ ร, ระรหันช์พระเจ้าหรือบรรดาผู้นำํำขีตจักรนะครับต่อไปครับ <c oughs> ต่อไปท่าทีสุดท้ายก็คือท่าทีแห่งการยอมรับเมื่อเราอธิษฐานขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ เราจะต้องมีท่าทีแห่งการยอมรับว่าไม่ใช่นะครับเราต้องยอมรับว่าไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เกิดขึ้นนี้นะครับทุกอย่างในโลกนี้ที่เกิดขึ้นเป็นหน้าบัตไทของพระเจ้านะครับในการยอมรับตรงนี้ทําให้เรามีท่าทีที่ถูกต้องครับและในครั้งนี้ครับผู้รับใช้พระเจ้าหรือผู้นำํำพิเศษได้กันทําผิดพลาดไปก็คือว่าเราอาจจะได้ยินคนที่เรียกว่า คนกําลังใกล้าตายหรือคนกำลังประสบความทุกข์ยากลาบากถามเราครับว่าพระเจ้ามีน้ํามัทัยให้ผมเจออย่างนี้หรือนะครับคนบางคนก็บอกกับอีดามารดาของเด็กที่ตายจากไปบอกว่านี่เป็นน้ำมัทัยของพระเจ้าเราต้องยอมรับนะครับเราต้องยอมรับหรือแม่ผู้ที่เป็นปัทนาของสามีลูกๆ ก, กําลังป่วยเป็นมะเร็งครับและกําลังจะจากไปนะครับก็จะมีคนพูดว่านี่เป็นน้ำมัทไตของพระเจ้าแล้ว หรือบางคนได้ยินข่าวเรื่องน้ําท่วมแผ่นดินไหวภัพิบัตไฟไหม้รถไฟตกรางเครื่องบินตกหรือการการการดานอาหารตามที่ต่างๆหรือที่มีการข่มเหงฆ่าเึก้อเตียนหรือคนที่อพยพอดอยากที่อยู่บนเรือเราก็กล่าวว่านี่เป็นน้ำมาไทยของพระเจ้ามันจริงเหรอครับ <c oughs> เราต้องยอมแล้วว่านี่เป็นน้ํมาไทยของพระเจ้าจริงๆเหรอครับเมื่อเราอีขังว่าขอให้เป็นไปตามพระไทยของพรองค์ พี่น้องครับท่านสาบไหมครับว่าถ้าเรามองสิ่งต่างๆในแง่นั้นมันจะทําให้คนที่ฟังนะครับพ่อใจมันจะเกิดภาวะหยุดพลังทั้งหมดออกไปจากชีวิตแห่งการอธิษฐานเราปรารถนาที่จะอธิษฐานต่อพระเจ้าที่มีเจตนารม์แห่งภัยพิบัติอันน่ากลัวและบอกว่านี่เป็นน้ำมัทไทยของพระเจ้าอย่างนั้นเลยครับพี่น้องครับสิ่งเหล่านั้นนะครับไม่ใช่เป็นน้ำมัทไทยของพระเจ้า เป็นสิ่งที่พระเยซูเสด็จมาในโลกนี้เพื่อหยุดรั้งมันไม่ใช่เลยครับน้ำมัทัยของพระเจ้าจะปรากฏอยู่ในรูปของความปรารถนาดีต่อผู้ที่พระองค์ทรงรักใช่ไหมครับพระเจ้าไม่ทรงพระประสงค์ที่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดพินาศเลยหรือตายไปนะครับหรือได้พบกับภยัยพิบัติต่างๆเป็นน้ำมัทัยของพระเจ้าหรือครับคํา ต, ตอบก็คือไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องยอมรับว่าไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนี้ เป็นน้ำมัยไทยของพระเจ้าแต่คนก็กําลังพินาศทั่วโลกคนก็อยู่ในการอพยพเป็นไดฟูจีหรือเป็นการกระดานอาหารหรือเครื่องบินตกหรือไฟไหม้แผ่นดินไหวน้ําท่วมผู้คนกําลังพินาศทั่วโลกแล้วบอกว่าเป็นน้ำมัยไทยของพระเจ้านะครับคงจะไม่ใช่น้ำมัยไทยของพระเจ้าคือทําให้มนุษย์ได้รับความรอดรับรู้ความจริงนะครับ น้ำมัทยไยของพระเจ้าสําเร็จในสวรรค์ก็อยากจะให้สําเร็จในโลกนี้แต่ไม่ใช่สําเร็จทุกครั้งในแผ่นดินโลกที่เสื่อมทรามนี้ยังไปไม่ถึงจุดในอนาคตครับที่น้ําัทย์ไทยของพระเจ้าจะต้องสําเร็จบริบูรณ์ในอนาคตอย่างแน่นอนแต่เราอาจจะบอกได้ว่านี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าอนิญาให้เกิดขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นน้ําท่วมแผ่นดินไหวไฟไหม้รถไฟตกรางเครื่องวินตกนะครับหรืออะไรหลายอย่างที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ที่ไม่ดีเราไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ก็นี่อาจจะเป็นสิ่งที่พระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นนะครับแต่อย่าเรียกสิ่งนั้นว่าเป็นน้ำมันไทยของพระเจ้าเลยครับไม่ใช่เป็นน้ำมันไทยของพระเจ้าที่ให้มนุษย์ตายมนุษย์ประสบกับความทุกข์ยากลำบากนะครับไม่เช่นนั้นพระเยซูจะเสด็จมาทำลายความตายทำไมครับ ไม่ใช่เพื่อประสงค์ของพระเจ้าที่จะให้มนุษย์ตกนรกนะครับเพราะว่านรกนั้นสร้างไว้สําหรับมานร้ายและสมุนของมันในมัทธิวที่ยี่สิบหาพี่น้องจําได้ใช่ไหมครับพระเยซูเสด็จมาสิ้นพระชนม์ในโลกนี้จะเติมความรอดเตรียมที่เติมทางให้กับเรานะครับหลังจากที่เราจากโลกนี้ไปแล้วเพื่ออะไรครับเพื่อช่วยให้เราไม่ต้องตกนรกครับผมเองนั้นก็มั่นใจนะครับว่าพระเจ้าอันุญาตให้มนุษย์นั้น มีสิทธิเลือกแต่ในขณนะเดียวกันครับพระเจ้าก็ทรงไว้ซึ่งสิทธิอำนาจสูงสุดดูเหมือนจะขัดแย้งกันนะครับแต่ว่าเราต้องยอมรับครับว่าเราเลือกได้เลือกได้ขนาดไหนก็เลือกได้ตามที่พระเจ้าประทานสิทธิอำนาจให้เลือกแต่พระเจ้ายังคงมีสิทธิอำนาจสูงสุดอยู่พระเจ้าอนุญาตให้ความบาปเกิดขึ้นอนุญาตให้ความชั่วร้ายทวีมากขึ้น แต่ไม่ใช่เป็นน้ำมัไทยของพระเจ้าครับจริงๆขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะเข้าใจเรื่องนี้อย่างท่องแท้อาเมน